อพยากะตะบดกามาวจรวิปากจิตปัญจวิญญาณที่เป็นกุศลวิบากสีาม4ิบอสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตเป็นชไหนะจักขุวิญญาณที่เป็นวิบากสรคตด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมกามาวจรกุศลกรรมไว้แล้วในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตอุเบกขา เอกคตามนินทร์ีอุเปกหินรีและชีวิตินทรียีก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤิ4 3อผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนหนความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น นี้ชื่อว่าผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น433เวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไห น, นความสําราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สําราญทางใจก็ไม่ใช่อันเกิดแต่สัมผัสแห่งจักขุวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันความเสเวย อ, อารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวย อ, อารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น434สัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนความจําได้กิริยาที่จําได้ภาวะที่จําได้อันเกิดแต่สัมผัสแห่งจักขุวิญ ญ, ญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 435เจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจอันเกิดแต่สัมผัสแห่งจักขุวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าเจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น436จิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน จิตมโนโมานทะทไทปัณดระมะโนโมานายตนะมะนินทรีสีวิญญาณวิญญาณขันและมะโนโวิญญาณธาติเหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น437อุเบกขาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนความสำราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สำราญทางใจก็ไม่ใช่ความเสเวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาจาะเผยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอุเบกขาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น438รอเอกัคาตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนะความตั้งอยู่แห่งจิตในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเอกัคาตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น439มสิบเก้ามนินซีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนะจิต มโนมานัะไทยปัณฑระมโนมานายตนะมนินทร์สีวิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามนินทรียีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น440อุปเปกขินรียที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความสําราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สําราญทางใจก็ไม่ใช่ความเสวย อ, อารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขกันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอุเปกินรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น441ชีวิตตินรียที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่เป็นไปอาการสืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิต ชีวิตินทรีแห่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเหล่านั้นในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าชีวิตินทรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้นชื่อว่าเป็นอพยากฤริขันสีอายตนะสองธาตุสองอาหารสามอินทรีสามผัสสะหนึ่ง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 ซึ่งอิงอาศัยการเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันสัญญาขันและวิญญาณขันนี้ชื่อว่าสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัภยกรตซิ443สภาวธรรมที่เป็นอัภยกรติเป็นฉไนะโสตวิญญาณที่เป็นวิบากสหรคด้วยอุเบกขามีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้น ขานวิญญาณที่เป็นวิบากสรคตด้วยอุเบกขามีกลิ่นเป็นอารมณ์เกิดขึ้นชิวหาวิญญาณที่เป็นวิบากสรคตด้วยอุเบกขามีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกายวิญญาณที่เป็นวิบากสรคตด้วยสุขเวทนามีโพธพะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะได้กระทำได้สั่งสมกามาวจรกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้น พัทธะเวทนาสัญญาเจตนาจิตสุขเอกคตามนินทรีสุขินรีและชีวิตินรียก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเองอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภพยากฤต444สัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนาการกระทบกริยาที่กระทบกริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้อง ที่เก nuance, ิดขึ้นในสมัยนั好好้นนี้ชื่อว่าภัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น445เวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความสําราญทางกายความสุขทางกายอันเกิดแต่สัมผัสแห่งกายวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันความเสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาที่เสวยอารมณ์ที่สํำราญเป็นสุขอันเกิดจากกายสัมผัสในสมัยนั้น นี้ชื่อว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น446สัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความจําได้กิริยาที่จําได้ภาวะที่จําได้อันเกิดแต่สัมผัสแห่งกายวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น447เจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน ความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจอันเกิดแต่สัมผัสแห่งกายวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น4ี่ร้สี่จิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนยัยจิตมโนโมานัตถาไ ท, ทยบรรดระมนโนมานายตนะมนินทร์วิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้น นี้ชื่อว e Hello, ่าจิตท right ี nope. ่เกิดขึ ant, <nova communicating S 1> ้นในสมัยนั้น449สุขที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนความสำหราณทางกายความสุขทางกายความเสวยอารมณ์ที่สำหราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สำหราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสุขที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 450เอเอกกตตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความตั้งอยู่แห่งจิตในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเอกกัตตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น451มนหินทีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนจิตมโนมานัตถาไทยบรรดระมโนมานายตนะมนินีวิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้น นี้ชื่อว่ามนินจีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น45่ห้สุขขินจีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความสําราญทางกายความเสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาที่เสวยที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสุขขินจีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น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 มนโนธาตุที่เป็นกุศลวิบาก455สภาวธรรมที่เป็นอพยาการิตเป็นฉนมนโนธาตุที่เป็นมิบากสารคตด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์มีโผพพะเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สังสมกามาวจรกุศลละก ร, รมในสมัยใดในสมัยนันผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตตกวิจารอุเบกขา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 นี้ชื่อว่าพัรษะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น45่ห้เวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนความสํำราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สําราญทางใจก็ไม่ใช่อันเกิดแต่สัมผัสแห่งจักขุวิญ ญ, ญาณทาทธาตุที่เหมาะสมกันความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้น นี้ชื่อว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น45่ห้สัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความจําได้กิริยาที่จําได้ภาวะที่จําได้อันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น4ี่ห้าเจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไน ความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจอันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญญาณทาทธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น460จิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนะัยจิตมโนมานทะทัยปัณฑระมโนมานายตนะมนินทร์จีวิญญาณวิญญาณกันและมโนวิญญาณทาทธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้น นี้ชื่อว่าจิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น461วิตกที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ในสมัยนั้น น, นี้ชื่อว่าวิตกที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น462วิจารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไน ความตรองความพิจารณาความตามพิจารณาความเข้าไปพิจารณาความที่จิตสืบต่ออารมณ์ความที่จิตเพ่งอารมณ์ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิจารณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น463อุเบกขาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความสำราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สำราญทางใจก็ไม่ใช่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 465ร้ิบห้ามณินซีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนะจิตมโนโมานัตธาไทยปันฑระมนโนมานายตนะมนินทรียวิญญาณวิญญาณขันและมนโนวิญญาณธาตที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามนินรียที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น466อุเปกินรียที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนะ ความสํำราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สํำราญทางใจก็ไม่ใช่ความสเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยา pitcher, สเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอุเปกินรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น467จชีวิตินรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหน อายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปาอาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตตินรีแห่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเหล่านั้นในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าชีวิตตินรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภพยากฤต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 469สภาวธรรมที่เป็นอัพยกรตเป็นชนะไหนมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลวิบากสหรคตด้วยโสมนัสมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมกามาวาจรกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารปีติสุขเอกคตา มณินทร์สีโสมณตสินสและชีวิตินรียก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเอิงอาศัยกันเกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยกริศร้อยเจ็ดสิบภาษาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนยัยความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าภาษะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น สี 1> 1, ่เจ็เวทนาที่เก <int kho. S 2> ิดขึ uh ้นในสมัยน uh ั <Kü! S 2> uh ้นเป็นชไหนความสําราญทางใจความสุขทางใจอันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันความเสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สํำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น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 ความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจอันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญญาณธาตุ ท, ที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น474จิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนจิตมโนมานัะทไทปัณฑระมโนมานายตนะมนินทรี์วิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณธาตุ ท, ที่เหมาะสมกันในสมัยนั้น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 ความที่จิตชื่นชมยินดีในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าปีติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น478สุขที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความสำราญทางใจความสุขทางใจความเสวยอารมณ์ทีส่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สาราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั si ้นนี้ชื่อว่าสุขที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 479รอเอกคัตตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนะความตั้งอยู่แห่งจิตในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเอกคัตตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น480มนินทณียตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนะจิตมโนมานทถไทยปันดร ะ, ระมโนมานายตนะมนินทรีวิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณาธาติเหมาะสมกัน ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามนินทรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น4ี่ร้อยแสเอดโสมณตินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉไรความสำราญทางใจความสุขทางใจความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าโสมนัณสินทรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 4 8 2ชีวิตินทร์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉะไหนาอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตินทร์แห่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเหล่านั้นในสมัยนั้นนี่เรียกว่าชีวิตินทร์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น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 สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกฤต483สังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนหนภัสสะเจตนาวิตกวิจารปีติเอกัคตาและชีวิตินทรสีหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาสัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และบิญญาณขันธ์นี้ชื่อว่าสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยาการิตมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลวิบากสหรคตด้วยโสมนัสจบมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลวิบากสหรคตด้วยอุเบกขา484สภาวธรรมที่เป็นอัพยาการิตเปนะ็นฉไนมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลวิบากสหรคตด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์ มีทรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ทรรมได้สั่งสมกามาวจรกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตตกวิจารอุเบคาเอกคัตามนินทรียีอุเปกขินทรีและชีวิตินทร์สีก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกริต485ผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนะความกระทบกริยาที่กระทบกริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องที่เกิดขึนนวว้นในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น486เวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไน ความสำราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สำราญทางใจก็ไม่ใช่อันเกิดแต่สัมผัสแห่งมนโนวิญ ญ, ญาณธาตุที่เหมาะสมกันความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 487สัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนหนความจําได้กิริยาที่จําได้ภาวะที่จําได้อันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าสัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น488เจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนัย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 ความสําราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สําราญทางใจก็ไม่ใช่ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผสัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอุเบกขาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น493รอเก้อกกัตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นชไห น, น ความตั้งอยู่แห่งจิตในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเอกกัคตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น494มนณีสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนจิตมโนมานัตธาไทยปัณดระมโนมนายตนะมณีสีวิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณธาต่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามนณีสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น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 สี7ร้กาสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนะััฒนาเจตนาวิตกวิจารเอกคตาและชีวิตินทร์สีหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันสัญญาขันและวิญญาณขันนี้ชื่อว่าสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤต มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลวิบากสหรคตด้วยอุเบกขาจบมหาวิปากจิต8 498สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นไฉไรเพราะได้ทำได้สังสมกามาวาจรกุศลกรรมไว้มโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากสหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุต ด, ด้วยญาณสหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุต ด, ด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูง สหรคตด้วยโสมนัสวิปยุตจากยานสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุตจากยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยยานสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุตจากยานสหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุตจากยานมีรูปเป็นอารมณ์ มีทำเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤิตอัพยากตะมูลคืออโลภะอัพยากตมูลคื อ, อโทสะอัพยากตมูลคืออโมหะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤิตมหาวิปาก จ, จิต จบรูปาวจรวิปากจิต499สิสภาวธรรมที่เป็นอัพยกรตเป็นฉไนะโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัด จ, จากการบรรลุปธรรมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล โยคาวาจรบุคคลสงัดจากกาบรบลุปธรรมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้สั่งสมรูปาวาจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวาธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤิดห้าร้อยสภาวาธรรมที่เป็นอัพยากฤิเป็นฉไหนะ โยคาวาจรบุคคลจเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบพระวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุทุติยชาญบรรลุตติยชาญบรรลุจตุทชาญบรรลุปธรรมชาญบรรลุปัญจมชาญที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล โยคาวาจรบุคคลบรรลุปัญจมฌานที่มีปทวีกสินเป็นอารมณ์ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้ซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้สั่งสมรูปาวาจรกุศล ก, กรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤิตรูปาวาจรวิปากาจิต อรูปาวจรวิปากจิตห0 1เอดสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นฉไนะโยกาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปภระพบเพราะก้าวล่วงรูปประสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆสัญญาดับไปเพราะไม่มนสิการนานตะสัญญาจึงบรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยอากาศานัญจายตนะสัญญา ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลเพราะก้าวล่วงรูปประสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆะสัญญาดับไป เพราะไม่มนานสิกานานัตตสัญญาจึงบรลุจจตุดทฌานที่สหรคตด้วยอากาสานัญจายตะนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้ซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้สังสมอรูปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภพยากริห้ สภาวธรรมที่เป็นอัพยกรติเป็นฉไนโยคาวจรบุคคลจเจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยวิญญาณัญจายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลเพราะก้าล่วงอากาสาั ญ, ญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุจตุทถฌานที่สหรคตด้วยวิญญาณัญจายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้ซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้สั่งสมอรูปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละ อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกริตห้าร้อยสามสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริตเป็นฉไนะโยกาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงอรูปปภพเพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง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 โยคาวจรบุคคลเพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุจตุถชานที่ถรคตรด้วยอากินจัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้ซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้สั่งสมอรูปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสนวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤต 504. สภาวธรรมที่เป็นอัพยกริตเป็นฉไนยโยคาวจรบุคคลจเจริญมากเพื่อเข้าถึงอรูปภปพเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุจตุตชฌานที่สหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นภัษะอวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุจตุดทฌานที่สหรคคด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้ซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้สังสม รูปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากริตอรูปาวจรวิปากจิตจบโลกุตระวิปากจิตสุทธิกะปฏิปทาหาหสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตเป็นฉไนะ โยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากปัตทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องตน้นสงัดจากการบรรลุปัรมชฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล โยคาวาจรบุคคลสงัด จ, จากการบาลุปธรรมชาญที่เป็นสุญญตะตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระขุสนนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอัญญนสีอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกริษ ห้าร้อยหกสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริตเป็นฉไนะโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัด จ, จากกามบรุปธรรมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอาวิเขปะก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยกาวจรบุคคลสงัดจากการบรลุปธรรมฌานที่เป็นอนิมิตตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอันยิญรีอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤต ห้า้อยเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นอัพยกรตเป็นฉไนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปัรมชฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น ผัสธะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกามบารลุปธรรมชาญที่เป็นอัปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัทธะอัญญีอวิเคปะก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากริตห้าร้สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตเป็นฉไนะโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรุทุติยชฌานบรุตติยฌานบรุจตุตถฌาน บรรลุปธรรมฌานบรรลุปัญจมาฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นสุญนตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นอนิมิตตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศล ที่เป็นอัปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพพยากริตห้าสภาวธรรมที่เป็นอัพพยากริตเป็นฉนะโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนาออกจากวัตทุใหถึงนิพพาน เพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องตน้นสงังจารกามบรุปธรมาชาญเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาเป็นสุขขาปฏิปทาทันทาปิญญาเป็นสุขขาปฏิปทาทันทาปิญญาบรลุทุติยชาญบรุตติยชาญบรุจตุติยชาญบรุปธรรมาชาญบรลุปัญจมาชาญ เป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นสุญญตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นสุขาปฏิปทาขิปาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นอนิมิตตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศล